มนุษยธรรมหายไปเมื่อผิดศีลข้อสาสัญชาตญาณดิบจะไม่เปิดทางให้เลือกอะไรอื่นก่อนผิดศีลข้อสาความเห็นใจผู้อื่นยังมีซึ่งนั่นก็คือมนุษยธรรมยังคงอยู่แต่เมื่อผิดศีลข้อสาตามใจตัวเองยอมกลับลงไปใช้สัญชาตญาณดิบ มากกว่าจะอดกลั้นด้วยมนุษยธรรมมนุษยธรรมก็ค่อยๆลดระดับลงความเห็นใจผู้อื่นน้อยลงเรื่อยๆกระทั่งถึงจุดที่อาจด้านชาเห็นน้ำตาคนรอบข้างแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยตอนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนหน้าดำคล้าหมองด้วยความปักใจหลงไหลได้ปลื้มของเล่นชิ้นใหม่คนรอบข้างมากนึกว่า ไปโดนสยศาสตร์มาแต่ว่าที่จริงไม่จำเป็นต้องอาศัยคุณไสยที่ไหนแม้สมัยโบราณก็มีเรื่องเล่าอยู่ว่าอำนาจมนสะกดของควานช้างที่บังคับช้างให้ใช้งวงรัดก้อนเหล็กร้อนได้นั้นยังไม่อาจสะกดมันให้เลิกวิ่งเตลิดตามเพศเมียเมื่ถึงฤดูกำหนดได้เลยแปลว่าราคาชนะสยศาสตร์เสอีก ก่อนผิดศีลข้อสมนุษย์ยังเลือกได้ว่าจะเอามนุษยธรรมหรือสัญชาตญาณดิบแต่เมื่อผิดศีลข้อสามไปแล้วสัญชาตญาณดิบจะไม่เปิดทางให้เลือกอะไรอื่นนอกจากความหืนกระหายของตนแม้คนเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาแค่ไหนก็ลืมหมดไม่เห็นใจไม่ทบทวนตัวเองเราวกับโดนผีบังตาหรือโดนเปรตบังใจนั่นก็เพราะ เมื่อมนุษยธรรมหายไปใจทั้งดวงก็เหมือนผีเหมือนเปรตที่บทบังภาคมนุษย์ของตนไม่ให้เห็นความทุกข์ของใครได้ไม่ว่าจะฟังเก่าหรือฟังใหม่สนใจแต่ความสนุกของตนเป็นที่ตั้งแม้ยังมีเหตุผลแบบมนุษย์อยู่บ้างก็เป็นไปเพื่อผลิตข้ออ้างมารับใช้อารมณ์ผีจึงไม่น่าแปลกใจหากตายไปจะเป็นสหายแห่งผีสหายแห่งเปรต ด, ด้วยใจทั้งดวง ที่หมดความละอายบาปเสียแล้ว